ตั้งตัวตรงลำรุงสติมั่นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นี่คือหลักอนาป า, านการเริ่มต้นนะครับนี่ขอเรียนถวายว่าผู้ศึกษาหรือปฏิบัติหรือเริ่มฝึกหัดหรือเริ่มปฏิบัติเตนียให้ทาความเข้าใจตรงที่เราจะกาหนด ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยให้ตั้งฐานสติตั้งใจฐานสติแบบไหนครับสมมุติว่าเรากําหนดว่าหายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เรายังไม่เห็นสภาวะลมเข้าไม่เห็นสภาวะลมออกแต่เพียงเป็นแต่เพียงสัญญาที่เราจําไปจากพระสูตรหรือค ร, รูบาอาจารย์ที่แนะนําให้เอาสัญญาตัวเนี้ยไปกําหนดว่าสั้น แต่เรายังไม่เห็นสภาวะของลมสั้นเข้าก็ไม่เห็นออกก็ไม่เห็นทีนี้ให้เราตั้งฐานสติตรงเนี้ยสมมติว่านี่สั้นนะครับตรงบริเวณเหนือคิ้วเนี่ตรงหน้าผากเรียกว่าฐานที่มหาศูนย์ตรงเนี้กําหนด จ, จากจมูกข้างข่อเนี่ยหายใจเข้าสั้นลู้ออกสั้นลู้เวียนอยู่อย่างนี้ทำไมผมถึงคิดว่า เรียนถบายอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่มีสภาวะปรากฏเฉพาะหน้า uh, เท่ากับคําบริกรรมจะกําหนดว่าหายใจเข้าพุทออกโทก็ได้ถ้าไม่มั่นใจว่าคําว่ารู้นั้เป็นภาษาไทยไมอาจจะก l i t c ไปสักหน่อยอาจจะคิดว่ามันไม่ขลังเั้นเดี๋ยวนะเอาเอาภาษาบาลีก็แล้วกันกําหนดหายใจก็ว่าพุทธออกโท โอ้หุททดหงตั้งสติเหมืนกันที่ท่านบอกว่าดํารงสติมันดำรงสติมันให้มันอยู่กับตรงสัญญาที่เรากําหนดอยู่เนี่ยทำไปจนจนกว่าจะเห็นสภาวะปรากฏเฉพาะหน้าเมื่อมีสภาวะปรากฏแล้วลมอยาปรากฏขึ้นหรือมันจะเกิดแสงสว่างกันได้ก็แล้วแต่ให้กําหนดอยู่อย่างนั้นก่อนสักระยะที่นี่ กำหนดยาวนะครับยาวนี่เราจะตั้งไว้แค่ไหน <c oughs> ตั้งตรงลิ้นปีหรือจะตั้งตรงกลางท่วงอกแต่ให้กำหนดเข้าไปข้างในอยู่นะครับยาวไว้ข้างนอกนะมันเปราะบาบางมันหลุดง่ายหมายความว่าหายใจเข้าออพุทธออกโทเข้าออพุทธออกโทเข้าออพุทออกโทจนกว่าจะเห็นลมทั้งเข้าทั้งออก บางครั้งอาจจะเห็นแต่ออกไม่เห็นเข้าบางที่เห็นแต่เข้าออกตามไม่ได้อันนั้นหมายความว่าสติเรายังห่างอยู่ไม่สามารถจะตามได้ทั้งเข้าทั้งออกแต่ถึงอย่างไรๆก็ต้องตั้งฐานสติลองรับไว้ว่าเออกำหนดมาแค่นี้แค่ช่วงอกหรือแค่ลิ้นปีกกำหนดยาวเข้าไปนั้นก็จะเห็นลมตั้งขึ้นเป็นเส้นเป็นสายเป็นช่อนะครับ ตั้งเข้าตั้งออกทีิใจว่าเรามีฐานสติอยู่กําหนดมันแค่ฐานตรงเนี้ยแล้วก็กําหนดออกกําหนดเข้ากาหนดออกเราจะใช้คําว่าพุดหรือโทเขาแล้วแต่หรือหายใจเข้ารู่ออกรู่ก็แล้วแต่อันนี้เป็นความถนัดของผู้ปฏิบัติขอเรียนถวายตรงนี้ทำความเข้าใจตรงนี้กับเรื่องอนาปานในการเริ่มต้นสากเล็กน้อย <c oughs> เมื่อมีสภาวะอย่างนั้นปรากฏขึ้นให้ตั้งสติจำเนียรตามคงลมหายใจเข้าหายใจออกชนกว่ามลมหยาบจะระงับลงเมื่อเห็นสภาวะอย่างนี้เราจะเห็นสภาวะของลมหยาบเนี่ยข้างบนเนี่ยปูขึ้นมันลมขี้ฝุ่นมันลมเข้าเปลือกอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านสมมุติว่าเราเอาพัดไปพัดเข้าเปลือกในสมัยก่อนที่สมัยนี้พวกเราจะถ้าท่าน ที่เกิดทันสมัยเขาใช้นวดข้าวนวดอะไรด้วยควายด้วยอะไรก็แล้วแต่นะด้วยอะไรก็ได้ก็จะมีพัดคล้ายกับไม้ตละลับปัดไม้พัดที่เราเนี่ยเขาก็จะทําเหมือนโบราณหรืออะอย่างอื่นก็ได้พัดขี้ฝุ่นเข้าออก <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรียกว่าลมลมเข้าเปลือกก็ดีลมขี้ฝุ่นก็ดีมันจะมีสีลกะนะักษณะคล้ย ดำบังขาวบังพลนกันอยู่ปลายลมแต่ข้างล่างนี้จะเป็นเส้นกำหนดอยู่อย่างนั้นให้ตลอดทั้งสติจำเนีย่ยตามกองลมหายใจเข้าหายใจออกจนกว่าลมหยาบระงับทีนี้ลมจะซักพ่อกันอมขาวอมเหลืองนั่นเข้าจะพันกันเหมือนเกลียวเชือกนะทีนี้ลมส่วนนี้ก็จะระงับลงระงับลงในที่สุดก็จะไปรวมอยู่ตรงฐานสติที่เราตั้งไว้ เราจะมองเห็นความสว่างอยู่ข้างในนั่นนะเนี่ยเห็นความสว่างอยู่เมื่อท่านยังคิดว่าพอมีเวลาอย่าเพิ่งละก่อนจะละก็ให้ทบทวนเสีก่อนว่าทําอย่างไรเราถึงได้เห็นลมเข้าลมออกอย่างนี้เมื่อมันยังไม่สงบสั่งัดพอเมื่อพักแล้วในขั้นตอนต่อไปก็ให้ทําเหมือนอย่างนั้นแหละทีนี้อย่าเพิ่งละทิง้ง เอาตรงนั้นเป็นฐานสติก่อนฐานสมาธิก่อนแล้วเรากําหนดว่าเป็นฐานสติฐานสมาธิเมื่อเห็นความสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นท่านลองน้อมไปพิจารณากายให้เห็นกายในกายท่านจะได้คิดว่าตรงนั้นมันจะสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นไม่ใช่นะครับตรงนี้แหละเราละทิ้งตรงนี้ไม่ได้น้อมไปพิจารยายให้เห็นกายในกายตามหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราคิดว่า ได้อาศัยฐานสติสันสมาธิเพียงแค่นั้นมันก็ขาดการได้พิจารณาทำยังเรียกว่ายังไม่มีสติยังไม่มีธรรมสมาธิพอที่จะน้อมเข้าไปวิณากายในกายให้เห็นกายในกายสมาธิจิตไม่สามารถจะสอดส่องทำได้สติสมาธิปัญญาไม่พร้อมองค์นะครับ ให้กำหนดอยู่อย่างนั้นก่อนให้ทำอยู่อย่างนั้นก่อนเมื่อความสงบสงบในกายในจิตพอน้อมเข้าไปวินาไกลจะเข้าใจกายในกาย <c oughs> เมื่อเข้าใจกายในกายแล้วขั้นตอนต่อไปเวทนาก็ต่อกันอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นพื้นฐานการเริ่มต้นนะได้พิณาเวทนาในเวทนาเมื่อเวทนาเวนผ่านก็จะเห็น เข้าใจจิตในจิตเมื่อเข้าใจใจจิตในจิตก็จะเคลื่อนไปเข้าใจธรรมในธรรมเมื่อพิีรณาผ่านตอนนี้แล้วครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าเกรงว่าผู้ศึกษาหรือปฏิบัติจะขาดสติซ้ำอยกสํานึกที่จะน้อมนําเอากรรมาฐานส่วนนี้มาพีรณาให้มันเกิดความน่นแผ่นก่อนท่านจึงมีคาะนะําภาวนาว่ากายโยอสุโภังค่ะ เวทานาทุขาจิตตังอนิจจังธรรมานาต ท, ท่านให้เอาอคำบริกรรม3 4คสาบริกรรมเนียมาบริกรรมให้ฐานสติฐานสมาธิให้มันเกิดความนิ่งเน่าโ ด, ดเด่นนพอถึงขั้นตอนต ร, ตรงนี้แล้วสติสมาธิท่านกล่าวไว้ว่าเหมือนกับเราได้อุปจารและสมาธิเป็นเครื่องอุปถัมม์อยู่ผู้ศึกษาปฏิบัต ถ้าไม่ยกกายานุปัชนาสติประฐานขึ้นมาพิจารณาตามหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านจะเดินเข้าไปหาองค์ฌานก็ประครองตรงนี้แหละเข้าไปหาปฐมฌานไปจนกว่าจะถึงฌานองค์สุดท้ายที่จะอยู่เนื่องด้วยอุเบกขารมท่านบอกว่าปัญจมังฌานนางฌานตรงนี้ท่านจะเข้าใจตรงนี้ไหมให้เก็บสมาธิตรงเนี้เอาไว้เป็นเครื่องคำถาม ไม่ใช่บรรลุธรรมมกขนชั้นสูงนะครับนี่ขอเรียนเอาไวนะ้เน่ะว่าจะได้อาศัยฐานสติฐานสมาธิตรงนี้แหละศึกษาธรรมในขั้นตอนอันละเอียดที่จะก้าวข้ามไปถึงอะไรท่านได้ว่าโอนโคตรชานโอนโคตรยานโอนโคตรท่านฟังอย่างนั้นเข้าใจไหมครับคำว่ายานโอนโคตรเนี่ยคือโคตรภูยา น, นขั้นตอนต ร, ตรงนี้แหละ เราจะก้าร่วงไม่ก้าร่วงไม่รู้เรียกว่าทุกขันนโรธคาม่นีปฏิปทาการดําเนินไปสู่ความดับถูนะครับนี่ถ้าเดินสายนี้ถ้าไม่งั้นต้องยกกายานุปจนนาสติปัฐานขึ้นมาพิจารณาเป็นองค์แรกหลังจากธรรมานาปานตรงนี้ผ่านแล้วนะครับนี่ถวายไว้ไตรงนี้นะถ้าพิจารณากายานุปจนนาติปทานได้เวทนาก็ต่อกันอยู่เวทนานุปัจนนาปฏิปทา จตานุปัสนาสติปัฏฐานก็ต่อกันอยู่ตรงนี้เหมือนตอนต้นตอนต้นหยาบอยู่นะครับที่พูดฝันมาเมื่อกี้เนี่ยพราะมันยังไม่อยู่ในฐานนะยกวิปัจนาภูมิขึ้นมาพิจารณาเราจะมีสติสมาธิสอดสอบองธรรมไหมมีความละเอียดพอไหมใช้สติตามรู้ทันกะลเอียดปัจจัยตรงนี้ไหมนี่คือได้พิจารณากายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นองค์แรกต่อจากตรงนั้นมานะครับ นี่ผมขอเรียนถวายขั้นตอนตรงนี้ถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องอนาปานจะติเมื่อหากเห็นขั้นตอนตรงที่ผมพูดมาเมื่อตอนแรกๆเนี่ยอย่าได้เพิ่งละทิ้งเก็บสมาธิตัวนี้หละเป็นกล้องสองทางเข้าไปหาทำขั้นตอนอันที่ละเอียดเก็บเอาไว้ตรงนี้เองท่านว่าถ้าว่าเราเดินเข้ามาถึงจุดตรงที่ผมพูดเนี่ย จิตเราเนี่ยทรงพลังพอพอที่จะรู้จักการรักษาสมาธิจิตในขั้นตอนในการเริ่มต้นเนี่ยถ้าหากก็เดินผ่านจากตรงช่วงที่ผลว่ามาไม่ใช่เป็นอาสวัคยายานหรืออะไรยานโอนโคนะที่พูดตรงตรงที่ผมพูดถึงว่าเดินจากองค์ญานที่หนึ่งที่2ที่สนะครับถึงที่5้าเนี่ยนั้นว่าจิตทรงอิทธิฤทธิอิทธิพล คือทรงกำลังนั่นเองไม่ใช่กำลังไปทำอย่างอื่นนะกำลังที่พร้อมที่จะน้อมเข้าไปตั้งฐานสติฐานสมาธิพิจารณาสาภาพธรรมให้เข้าใจธรรมนี่คือความหมายที่ผมพูดไม่ใช่ให้ท่านเอาเบสิกเครื่องรงของขังไปแข่งกันกับคนอื่นนะไม่ใช่นะที่พูดนี่นะขอเรียนให้เข้าใจตรงนี้อย่าเพิ่งเอาไปใช้ผิดๆเดี๋ยวจะไปคําหายาก เ <laughs> ดีเ๋ยวเจ้าคิดว่าตอนมันเก่งพอแล้วไม่ใช่นะครับนี่หมายความว่าเราศึกษาขั้นตอนการเริ่มต้นของอานาปานสติผมยอมรับว่านาปานสติสมาธินีะ่ะมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ใหญ่จริงเดี๋ยวเอาไว้ให้ท่านอาจารย์มหาณาลุงเนี่ยพูดให้ท่านฟังคือผมเคยพูดให้ท่านฟังมีปรากฏการของผู้ที่พอที่จะทําความเข้าใจได้ อ, อาจจะมีโอกาสมาคุยกับท่านในวันหนึ่งวันใดแต่ผมจะไม่บอกในตอนนี้นะครับทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องอาณาปานาสติสมาธิในการเริ่มต้นทีนการทําภาวนานี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวท่านจะบอกว่าผมนี่เอาสมสาธิมาคุยกับท่านถ้าไม่มีความสงบอย่างเราเราเนี่ยพี่นาภูมิทํายากเหลือเกินท่านร่วมไปดูสติสัมโพชฌงค์ พะวุลีกัจจาทําให้มากมากเพราะฉนั้นถ้าว่าอย่างนั้นเราจะไม่มีสติสมาธิมีปัญญาพ อ, องค์สอดส่องธรรมไม่มีปัญญาจะวิจัยธรรมเรียกว่าไม่มีธรรมวิเชยะพอที่จะสอดส่องธรรมเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่ปรับพื้นฐานตรงนี้ลองรับก่อนอะทีนี้พองยุบผมก็เคยมาลองมาทําดูท่านบอกว่าให้กําหนดที่หน้าท้องตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ทำหาดูเหมือนกันกำหนดไปกำหนดมาไม่ได้เห็นอะไรดอกกำหนดอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นมีสัญญันปีบปีบปีบอยู่ตรงที่หน้าท้องยังไม่เกิดอะไรรู้แค่นั้นทำไปทำมาไม่ทราบว่ามันเคลื่อนเข้าไปเข้าไปเลยหน้าท้องเข้าไปนะไปเห็นสภาวะของอาการพองพองเช่นครับพี่คงเนี่ครับทำยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันทาอยู่คนเดียวนะ พอกำหนดยุบมันได้แต่ยุบยุยบหายเลยไ ม, ไม่มีไม่มีอะไรเหลือ้ตั้ง ไ, ตงไปตั้งมามันปรับฐานสติฐานสมาธิได้ทีนี้จะเห็นสภาวะของอรวมนี่มันวูบวูบวตามจังหวะที่เรากําหนดนะครับกำหนดหายใจก็พองออกยุบเนี่ยทีนี้ตรงนี้ผมก็กําหนดไปกําหนดมามันเคลื่อนลงไปทํำหลายวันนะครับกําหนดจนออก แสงเย็นอเวลานั่นจะเห็นสภาวะแผ่แสงออกมาเงี้ยเย็นไปทางกายแล้วนะยังไม่เข้าใจเลย <c oughs> ทําไปทํามามันเคลื่อนลงไปเห็นกากรบาดเครื่องหม า, า, า, ายกากรบาดสีไข้สีผึกรสีดำเหมือนเชิงดําไข้ฐานจริงๆก็ไม่ใช่หรอกไม่ดําถึงขนาดนั้นหรอกนะครับบนเครื่องหมายกากาบาดนี้มันจะมีสัญลักษณ์ว่า มืนกับเราเอาผ้าเศษผ้าเนี่ยชุบน้ํามันจุดวางไว้เนี่ยมันจะเห็นไปคลายไฟลุกแป๊บแป๊ผมก็กําหนดไปอย่างนั้นกําหนดไปกําหนดมาไอเครื่องหมายนี่มันก็เรียกว่าหายไปเหลือสฉพาะความสว่างอยู่ทําอยู่อย่างนั้นนานเหมือนกันอยากรู้ว่ามันจะไปทางไหนมาทางไหน าทาไปทำมาวันหนึ่งมันเคลื่อนลงไปอีกไอ้ตัวเนี้เคลื่อนลงไปมันก็จะไปเห็นความสว่างอยู่มันยุบยุบลงเหมือนแผ่นกระจกเล็กๆนะ่ะนี่ตัวเนี้ดันยากเหลือกเกินอาจารย์วินเซนต์มาจากประเทศพมาะนะ่าน่ะท่านไปจบัญษาอยู่ประเทศพมา 5, า่าห้าภาษาท่านบอกว่ามีพระพม่าติดกลา ป, ปะมันมัดกันเป็นพร่นๆเราคุยกับผมตรงเนี้ย ทนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงเนีนะท่านมาจากประเทศพมา่าปี46มาจําปัญหาอยู่กับผมมาพูดเรื่องนี้ของสายฟองยุบจากพมาก่าทีนี้ตรงที่ผมพูดถึงตรงนี้นะถ้าหากว่าตัวกระจกเล็กๆ เ, เนี่ยถ้ามันไม่พลิกมันยังจะต้องประครองรักษายากนี่หมายถึงสภาวะที่เกิดเฉพาะหน้านี่นะครับ ถ้ามันพลิกเมื่อไหร่ที่นี้ไม่ต้องขัวหายนะทดสอบทดลองดูให้เข้าใจเอาไว้ข้างนอกเอาไว้ข้างในวนรอบกาย น, นะกนะกำหนดได้กําหนดใหญ่กําหนดใกล้กําหนดไกลกาหนดให้เข้าใจมันคือทําให้มันเกิดความจานานได้เกิดวาสีนั่นเองที่จะเบาใจได้สําหรับพองยุกพออาศัยได้แต่อย่าประมาทอาศัยได้ตรงไหนอาศัยเป็นเครื่องส่งทางเหมือนกันเป็นเครื่องพิสูจธรรม นะครับนี่พองยุบนะั้นนี่ถวายลาักษณะรวบลัดมาตามผมว่ามันเป็นยานอะไรอาจารย์หลวงพ่อผมบอกท่านไม่ได้หรอกผมไม่เคย <c oughs> บอกยันถูกสืบยานถูกอันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องยานพูดถึงเรื่องสภาวะปรากฏในขณะที่เรากําลังศึกษากําลังปฏิบัติขั้นตอนตรงนี้ที่ในบางท่านท่านจะเอาไปสมมุติว่ากําหนดท้องยุบตรงหน้าท้องกําหนดลงไปข้างขวา นี่เป็นการรักษาสติตรงโคนขาวขวาหรืออ่อนจนกระโผก่เนี่ยนะฟองยุบฟองยุบแล้วก็ดึงขึ้นมา3มฐานอันนี้เป็นการรักษาจิตนะครับไม่จิตมันเล่นไปที่ขึ้นเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช้คําึงว่าพองยุบฟองยุบสามข้างมาหาโคนสะโพกขวาข้างขวาเนี่ยคำนึงฟองยุบดึงขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปข้างซ้ายลกลัไปกลับมาอยู่นี่ น, นี่เป็นการรักษาสติ แล้วแต่ว่าท่านถนัดยังไงต่อไปก็หมายความว่าจะพิญญาณเป็นเกิดดับเป็นอารมณ์จะวิณอะไรก็แล้วแต่เรอบอันนี้ถวายตรงนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจที่ไหนก็กราบเรียนถม ท, นท่านที่มีความรู้ความเข้าใจความจำนานสายนี้โดยตรงน <c oughs> ี่สำหรับผู้ที่จะใช้สติตามรู้ข้อเรียนอย่างนี้นะครับ ขั้เริ่มต้นเนี่ยสติจะตามรู้ได้จริงๆต้องมีสภาวะของสมาธิจิตพร้อมองค์บอกเราไม่ใช่อยู่ในเขตของสัมมาสติสัมมาสมาธิในมรรคม่องค์8จริงเพราะปฏิปทาที่ว่าสายกลางเนี่ยมันกลางของชาวบ้านมันกลางของความคิดเอาแต่ที่จริงๆแล้วจิตเรายังไม่เป็น ถ้าจิตเป็นจริงๆแล้วมันถึงจะอยู่ในสายกลางนะครับมันยังไม่โจมหาสายอีกจริงๆหอกเราสมมุติเอาก่อนมันกลับว่าเรารากนดว่าฟองยุบพองยุบเราก็ม า, ามเห็นพองยุบจริงๆหอกจนกว่ามันจะปรากฏเหมือนกันลักษณะทั้งหมดนี้คล้ายกับคําบริกรรมคล้ายกับการทําภาวนาเนี่ยขอให้ตีความตรงนี้นะครับแล้วจะบอกว่าโอ๊ยทําอย่างนี้มันไม่เป็นวิปัสสนาดอกทําอย่างนี้มันเป็นสมถะอยู่ถูกทั้งสองอันผมไม่คัดค้าน แต่เมื่อจิตเข้าไปสัมผัสรู้สัมผัสถึงสัมผัสเห็นเข้าใจในสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นนด้จะเข้าใจเองท่านเดินเป็นเป็นสมาธิไหมนั่งเป็นสมาธิไหมยืนเป็นสมาธิไหมนอนเป็นสมาธิไหมสามารถกําหนดได้ทั้งสีร่รยาบทไหมเป็นในสีร่รยาบทไหมถ้าท่านเข้าใจตรงนั้นแล้วท่านถึงจะรู้ว่าการใช้สติตามรู้จริงๆใช่แบบไหนสมาธิจิตจริงๆอยู่ที่ไหน ตรงนี้ต่างหากถ้ามาอย่างนั้นท่านก็เฉียงกันตายเฉียงตัวเองน่ะไม่จะ่เฉียงกับใครอกเฉียงกับกิเลสตัวเองน่ะอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เฉียงตัวเองอยู่นั่นแหละนะเฉียงกับกิเลสนะครับต้องพยายามฝึกให้มันรู้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้เกิดความจานาตามภาษาที่ท่านบอกว่าสี แล้วเราจะเข้าใจเรื่องอารมณ์ของการฝึกสมาธิทีนี้ตรงนี้แหละถึงจะรู้ว่าใช้สติทํารู้ตามกว่านี้ผมเข้าใจว่ามันมันเชยากอยู่สักหน่อยนะครับที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องสูงสุดนี่พูดเอาอารมณ์ขั้นพื้นฐานที่พอที่จะเอาจิตไปสัมผัสรู้สัมผัสเห็นสัมผัสถึงนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเราฝึก การปฏิบัติตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้แล้วแล้วเราจะรู้ว่าการใช้สติตามรู้จริงๆนะ่ะเรารู้ทันส ภ, ภาพของจิตไหมบางทีมันโกรธเดือนแรงเต้นกะไปทั้งนั้นแล้วเราถึงหายโกรธไปแล้วไปทาผิดไปแล้วแก้วล่นแก้วแตกป้าจานแตกไปแล้วเหลือไปทไําไายร่างกายผู้อื่นไปแล้ว <c oughs> ตัวโกรธมันผ่านไปแล้ว เราไปรู้ตรงนั่นของมันเสียแล้วนี่มนไม่ใช่สติตามรู้นะครับไม่ใช่เลยใช่ไหมครับถ้ามีสติตามรู้จะไม่ทําอย่างนั้นมันมีจะมีสภาวะทำเป็นเครื่องกั้นหรือใกล้กับรั้วท่านเรียนหลักสูตรนักธรรมเอกมาพระพุทธเจ้าว่าสูตทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุ ด, าดราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมนี่วัคสุดรไทยนี่ น, นะครับผู้ใ ด, ดจักรระวังจิต ผู้นั้นจะพ้นจากวงอยงมากจิตธรรมาดาไม่มีรัว้วมีเลี้ยวเนี่ยเอาไปอะไรเป็นระวังครับ <c oughs> ใช่ไหมจิตมันไม่มีรัว้วประตูเปิดก็ไม่มีประตูปิดก็ไม่มีเอาอะไรไประวังก็ <c oughs> ไปทําภาษาของเขาเลยเคยไปเที่ยวไปเที่ที่ไหนเขก็ไปเรื่อยไปไปใช่ไหมครับชอบรสอาหารก็ไปหากินอาหารชอบน้ำเย็นเยก็ไปเที่ยวหาอาบน้นํายน็นเย็นแไปนั่งตากอากาศอยู่ตรงไหนน้าพุน้าพองน้ําตกที่ไหนก็แล้วเจอ หรือลงมาใช้คาที่ไหนตามภาษาที่เราเคเที่ยวไปคิดได้ที่ไหนก็ไปที่นั่นจะเอาสติไหนมาจำรู้แล้วจะเอารั่วที่ไหนมาป้องกันตรงนี้เองผู้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้ทําความเข้าใจกับอารมณ์ของการฝึกหัดปฏิบัติในขั้นพื้นฐานให้ได้นะครับนี่ผม พูดเรียนถวายเฉพาะหลักปฏิบัติเท่านั้นการเริ่มต้นขอให้ทําความเข้าใจให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเอาสมมาฬังมาภาวานาไม่ว่าจะเอาพุโทโธมาภาวนาไม่ว่าจะกําหนดอานาปานสติไม่ว่าจะกาาาําหนดพองยุบไม่ว่าจะจับสภาพว่าไว้นิ่งหรือเคลื่อนไหวนะครับให้ทําความศึกษาให้เข้าใจ ในการเริ่มต้นก่อนลงมือปฏิบัติถ้าอย่างนั้นมันจะไปคัดค้านตัวเองโอ้ของอันนั้นไม่ดีดอกเลื่อนไปนู่นแต่อันนู้นม่ดีไปเลพยายามหาพื้นฐานของการเริ่มต้นให้ได้จะได้กล้องสองทางจะได้เป็นเครื่องมือในขั้นตอนการทำต่อต่อไปอันนี้ผมเรียนถวายเฉพาะเรื่อง การเริ่มปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มต้นขั้นพื้นฐานให้พยายามตั้งสติจำอยากว่าจิตของเรายังไม่สามารถสัมผัสผู้สัมผัสเห็นสัมผัถสผถึงด้วยตนเองทิดหลักสันติทิกะธรรมที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองนะครับมันที่สันสวดมนต์แจเนี่ยสันทิติ โ, สโนะ <c oughs> กสันทิติโกนี่แหละคือหลักสันติทิกะธรรมนะครับอ่า จะใช้สติทำรู้หรือจะอะไรนะก็แล้วแต่ใช้สติอยู่กับลมก็คือหลักอนาปานในสตินี่แหละนะครับสติเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับผู้ฝึกหัดปฏิบัตททิธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะ ก, การเริ่มต้นขั้นกลางจะเข้าไปหาขั้นละเอียดอ่อนใช้สติเป็นหลักถ้าสติสมาธิไม่พร้อมองค์ยากแก่การที่จะเข้าไปสัมผัสตูสัมผัสเห็นสัมผั ส, ผ ส, ผ ส, ผ ส, ผสผถึง อยางนั้นต้องตั้งศรัทธาให้แข็งแรงในการลงมือปฏิบัติฉันบอกความเพียนอ่อนสะเทายนต์นก็ไปยากมีความเพี้ยนกล้าศรัทธาแข็งพอที่จะเกิดความสมดุลแข็งเกินไปจนเป็นประสาทอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ศรัทธาแข็งในลักษณะผู้กวนไหวนะครับผู้มีศรัทธาแข็งในลักษณะกวนไหวเนี่ย เราจะสังเกตในเมีบารบมีทั้งสิบทักษ์ของพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยท่านตั้งสัจจะอธิษฐานมีสัจจะบารบมีอธิษฐานบารบมีถ้าสัจจะบารบมีมีอธิษฐานบารบมีพอ่อมีความแข็งแรงพออย่างอื่นก็ตามมาด้วยพยายามอย่าให้เสียสัจจะอย่าให้เสียอธิษฐานถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเริ่มต้นลงมือศึกษาธทำพิบัรณธรรม พยายมศึกษาให้เข้าใจขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่างที่ผมกล่าวเรียนถวายมานี่ที น, นี้วันนี้คิดว่าเดี๋ยวจะได้เวลาเรียนเทียนในวันมาฆะกับผมเองก็ขอที่โอกาสถวายความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมในขั้นพื้นฐานไว้แต่เพียงเท่านี้ดั <c oughs> งนั้นในที่สุดนี้ <c oughs> ก็ขอกราบอาราตนา เอคุณประสีและตนะไตรและก็กุศลผลแห่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันจะอาจมีโอกาสบำเพ็ญต่อไปในอนาคตจงรวมกันมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระละเป็นกําลังผลักดันในท่านทั้งหลายได้มีโอกาสบำเพ็ญให้มากๆยิ่งขึ้นก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญส่วนนี้ลงปกปัก์รักษาให้ท่านทาาาั้ห ง, ห ง, นนททงหลายจงประสบความสําเร็จใน ห, หน้าที่การงาน เนื่องจากที่จะปรารถนาสิ่งใดซึ่งไม่เกินกว่าวิสัยของบุญกุศลที่จะตอบสนองความปรารถนาของท่านแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพันกลับตอบสนองความปรารถนาะให้ท่านทั้งหลายจงพันประสบความสําเร็จความสําเร็จความสําเร็ จ, รจและมีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมร่วมกันจงท่ทานทุกคนเถิน